วิธีแก้ไขพื้นชะตาชีวิตที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้ในปัจจุบันถ้าเกิดมาในครอบครัวที่ร้อนและคุณเองก็มีธาตุร้อนก็ย่อมพยากรณ์ได้ว่าชีวิตเบื้องหน้าของคุณคงต้องร้อนหากไม่พยายามใส่เหตุแห่งความเย็นในที่สุดเบื้องกลางกับเบื้องปลายของชีวิตคุณก็จะยังคงร้อนอยู่อย่างนั้นไม่เลิกรา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 คิดก็คิดแบบพยาบาทให้ตัวเองหมกมุ่นฟุ้งซ่านพูดก็พูดแบบเสียแทงให้คนอื่นเจ็บใจทําก็ทําแบบรุนแรงให้ตนเองและคนอื่นบาดเจ็บจากการกระทบกระแทกถ้ามองดูตามจริงเห็นว่าตัวเองเกิดมาในครอบครัวที่ร้อนและตนเองก็มีธาตร้อนก็ย่อมพยากรณ์ได้ว่า ชีวิตเบื้องต้นของคุณคงต้องร้อนและหากไม่พยายามใส่เหตุแห่งความเย็นในที่สุดเบื้องกลางกับเบื้องปลายของชีวิตคุณก็จะยังคงร้อนอยู่อย่างนั้นไม่เลิกราแต่หากใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งได้ศึกษาธรรมอันเย็นเกิดความสกิดใจไกลจะได้เกิดสติปรารถนาประพฤติธรรมอันเย็นคราวนี้คิดก็คิดแบบเมตตาพูด ก็พูดแบบถนอมน้าใจทำก็ทำแบบอ่อนโยนในที่สุดตัวคุณก็จะแปลาจากธาตุไฟเป็นธาตุน้ำส่งพลังเย็นบรรดาลชีวิตตัวเองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือกรรมดีคือความสว่างกรรมชั่วคือความมืดหมายความว่าแม้จะอยู่ในช่วงมืดของชีวิต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 อาจเลือกทำดีได้แตกต่างไปจากพบก่อนวิบากเกา่าเล่นงานคุณได้แค่กายส่วนใจจะไม่ถูกกระทบกระเทือนมากนักถ้าเก่งหน่อยอาจถึงขั้นเงียบนิ่งสงบสุขอยู่ในท่ามกลางความว้าวุ่นรอบตัวได้